นี่คือรายการเปิดธําที่ตูวิชพ่อออนไลน์อาตม า, ราพระไพรวุลย์อภิปุโนกครับกับผมธนแพทย์ น, ทนัทพงศ์กนดกวิรุณครับคราวนี้เอพิโซดที่เท่าไรเลยคุณหมาธนแพทย์เจิแปดครับรเจ็ดสิ 78, <ม>บแปดแล้วครับในตอนที่เจ็ดสิแปดนี้จะอธิบายเรื่องของภาษาบาลีสักนิดนึงนันงน่น<ด>คือ ค, ค, คือระบระบการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทยเนี่ยนะอใครสักคนในคนหนึ่งที่ไปเรียนภาษาบาลีตามระบบของเรียนธรรมเนี่ยนะ เราจะเล่าให้ฟังว่าเขาก็จะมีการต้องไปสอบต้องอะไรปริญสองปริญสามจนไล่ไปจนถึงปริญเก้าเนี่ยนะมันมีข้อที่น่านี่าสังเกตอยู่ตรงนี้ว่าเวลาเรียนเนี่ยแล้วเขาเขาต้องมีการไปสอบทีนี้ตอนข้อสอบเนี่ยเขาจะมีหลักการอย่างนี้หมอรัฐพงคือเขาจะถือว่าให้เราผ่านแล้วนะก็เรียกว่าให้ผ่านแล้วการตรวจข้อสอบเนี่ยจะมีกรรมการตรวจสามคนคือตรวจคนละหนึ่งครั้ง ตรวจ3รอบว่างั้นเถอะแต่ละรอบที่ตรวจนี่คือใช้คนละคนในการตรวจพวกที่ตรวจนี้ก็ต้องเป็นพวกพระเปลี่ยนเงนั้นเลยนะเปลี่ยนเจ็พวกนี้เท่านั้นที่จะคุณลิฟายมาตรวจได้นะทีนี้แต่ละท่านที่ตรวจรอบที่1แล้วก็ให้อีกท่านหนึงตรวจรอบที่2แต่ละท่านก็ตรวจรอบที่3เนี่ยแต่ละท่านที่ตรวจเนี่ยจะให้คะแนนเราเต็มแล้วเขาเรียกว่าแต่ละท่านที่ตรวจเนี่ยก็จะเรียกหนึ่หอ1หอ1หอคือให้ให้ให้หอคือย่ามาจากให้ ถ้าผ่านสองคนในสามคนถือว่าได้สองหอถ้าผ่านสามคนคือได้สามหอก็คือผ่านอย่างน้อยที่สุดก็ต้องผ่านสองในสามในที่นี้คือเหมือนกับที่เขามีเขาเรียกว่าร้องเพลงแล้วก็จะมีกรรมการสามคนคอยตรวจนะถ้าเสียงสองเสียงผ่านคุณผ่านนะที่เรียกว่า Thailand ก o t Talent หรือว่าอะไรพวกนี้นะหรือ Thailand Idol ลอะไรพวกนี้นะไม่รูมีหรือเปล่าเคยได้ดูสมัยก่อนอยู่ รครับไทยแลนด์กับเทเลนช์ม<อ>ันดังเลยครับตอนนี้แล้วก็3คนผ่านคุณถึงจะสองคนผ่านคุณถึงจผ่านถ้า3คนผ่านนี่คุณผ่านแน่นอนหนะ้าพันหนึ่งครั้งก็เลขหนหอคือ1ให้ทีนี้<ม>แต่ละคนที่ตรวจเนี่ยเขาจะให้คะแนนเราแล้วสิบแปดแต้ม18แต้มเนี่ยหกสามสิบแปดสิแต้มเนี่ยก็จะหักคือหมายว่าให้เราเต็มแล้วนะทีนี้เขาจะกินเราคืนไปจะกินเราคืนถ้าเราทําผิดแตมุม่อคุณตอบบางที้ผิดเขากินหนึ่ง ตอบรงนี้ผิดกิน 1, หนึ่งคุณตอบตรงนี้โหผิดมากเลยกิน6กแต้มเลยแต่เพราะนั้นในโครงสร้างที่ผิดนี้ที่เขาจะกินเรากินเราเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยนะคือเขาให้เรา18แต้มใช่ไหมคือเขาเรียกว่าสมปอปอหนึ่งเนี่ยมีหกแต้มนะปอหนึ่งมีหกแต้มปอนี่คือย่อมาจากประโยคนะประโยคนี้ก็คือ1ประโยคเนี่ย<ๆ>คุณเขามีให้เรา6กแต้มหนึ่งประโยคเนี่ยจะมีที่ให้คะแนนหกแต้มถ้าคุณผิดหนึ่งประโยคเขาจะกินเราหกแต้มทันที ถ้าคุณผิด 2, 2> ประโยคน์เขากินเราสิบแต้มทันที้ผิด3าประโยชนกินเราสิ8แต้มทันทีหมดจบเพราะว่า1หอก็ไม่ได้กรรมการคนแรกเราตรวจสอบไม่ได้ละ ค, คนที่สอบมาตรวจเอา้าทำไมประโยคคุณหายไปกิน1น่งปอนะเอาแต่อีก2ประโยชน์นี้เขาตรวจแบบคนละแบบกันอันนี้ให้ให้ให้อันนี้อาจจะผ่านได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ได้1หออย่างเงี้ยทีนี้ต้องมี2หอเป็นอย่างน้อยทีนี้ที่อธิบายถึงเรื่องนี้เนี่ยนะก็เพราะว่า อ่การทําเนี่ยมันต้องทุกบทเพียนชนะต้องถูกตรงเป๊ะหมดเลยเนี้ยเลยต้องเนี้ยบจริงรๆไม่ใช่ขี้หมูขี้หมามันจะไปได้ได้ไหนะอย่างตัวนิดตัวหน่อยอย่างเงี้ยมันมันผิดถูกหมดกันอย่างโหนติเนี่ยไปเขียนเป็นโหนติเน้องหนูหายไปตัวเดียวนี่โอ้โหกินปอนึงเลยแปดแต้มเอหกแต้มอ๋อเพราะว่ามันเป็นกริยาตัวสําคัญอย่างเงี้ยคำว่าโหติเป็นโหนติโหนติเป็นโหนติอย่างเงี้ยโหนี่เป็นกริยาตัวสําคัญนี่คุณคุณกินทั้งประโยคเลยกินทั้งประโยคนี้ก็คือ คือหายไปหก <6 S 1> <6 S 2> แต้มแน่นอนเลยคุณถูกโดน <6 S 1> แค่เนี้ยสองจุดนะคุณไม่ผ่านแล้วคโอ้โอกาสติดลบมีไหมครับท่านอาไม่มีเขาจะกินแค่18 <c oughs> แต้มนะเขาถือว่าให้เรามันแล้วไงแล้วถ้าคุณไม่สามารถรักษาสิบแปแต้มได้คือคุณคุณไม่ได้หอ่หอไม่ได้ผ่านครับทีนี้ที่พูดตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าบางทีความถูกต้องเนี่ยมันต้องเขียนลงมาให้อย่างชัดเจนทีนี้รายการที่เป็นภาษาพูดบางทีมพูดเร็วไปหน่อยทำให้อาตมาพูดผิดอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดผิดไป นะพูดผิดตรงจุดสําคัญใช่ด้วยนะ จ, จึงต้องมาแก้ไขนีถ่ถ้าถูกนี่คือถูกกินปอเลยละ่ะที่พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะพูดไปว่าเนตังมะมะเนโซฮิมัสมิณนะเมโซอาตานี้ตรงนี้พูดผิดนะเพราะว่าจริงๆ<อ>ต้องมเมนโสหามัสมิโอเนโซฮะเนโซฮามัสมิไม่ใช่เนโซฮิมัสมินั่นเะนโสหามัสมิเนะี่ยตรงเนี้เป็นกิริยาที่สําคัญด้วยเพราะว่านั่นไม่ใช่เป็นเรา <agreements S 1> <limp. S 2> นันไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ของเราอ๋นั่นไม่ใช่ของเรานรั่ไม่ใช่ตัวของเราเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเป็นของเราเนี่ยมันจึงเป็นกิริยาที่สําคัญนะนะนะตรงนี้มันมันพ่วงกันอยู่มันเป็นเรียกสมาธติดกันอยู่นะก็เลยผิดตรงนี้ไปก็มาขอแก้ให้ถูกไม่งั้นจะถูกกินปอกินดอกแปมอืมครับสาธุสาธุครับทีนี้ในเรื่องของบาลีตรงนี้เนี่ยนะเอ่อถ้าเรามาจะวิเคราะห์ตามรากศัพท์กันจริงๆเนี่ยคําว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคําว่า ณอัตตาเห็นที่เบอกว่าณเมโซอัตตาณเมโซอัตตาใช่ไหมไอเมโซเนี่ยมันเป็นตัวกรุ๊กสรพนามเราตัดทิ้งก่อนนะในที่นี้ถ้าเราจะวิเคราะห์เฉพาะตัวสับนะก็ณอัตตาณต้านาตาดูตามศัพท์ก็เท่ากับอนัตตาอยู่แต่ว่าในที่นี้ถ้าเราดูทั้งประโยคแล้วเนี่ยเราชอบว่าพระเจ้าเนี่ยพูดถึงคําว่าอนัตตาเนี่ยคือถ้าเรามาดูแต่ความหมายณอัตตานี่ยังแค่ปฏิเสธความเป็นอัตตาถูกไหมณอัตตาเนี่ยปฏิเสธความเป็นอัตตา แต่ว่าอนัตตายังมีความหมายที่มากกว่าแค่ปฏิเสธความเป็นอัตตานัคือยังรวมถึงการที่ไม่ใช่ตัวเราด้วยการที่ไม่ใช่อของเราด้วยแล้วก็ปฏิเสธการเป็นอัตตาด้วยคือมีสามส่วนอ๋ออ่ามีสามส่วนสส่วนก็คือส่วนแรกคือไม่ไม่ใช่อัตตาอ่าไม่ใช่อัตตานี่คือข้อสุดท้ายที่ว่าอ๋ออ่าแล้วก็แรกก็คือว่าเนตังมะมะนั้นไม่ใช่เป็นเรานั้นไม่ใช่เป็นเรานั้นไม่ใช่ของเรา ข้อที่สองอครับรเพราะฉะนั้น3ส่วนนี้ประกอบกันจึงเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยนะอ๋อในต่างมาัมมอโอเคครับอันนี้ได้ยินบ่อยครับ ซ, ซึ่งซึ่งดูตามรูปประโยคแล้วมันก็จะออกมาเป็นลักษณะ น, นี้แต่ถ้าดูตามรูปศัพท์แล้วนี่ยก็จะวิเครรห์ว่าอนัตตานี่ที่สัปดาห์ที่เจ้าหมอฤาษผมบอกว่าอนัตตานี่เท่ากับเอ่อไม่ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ซึ่งจะกระตรงกับคําว่าหน้าอัตตาอนัตตาเท่ากับหน้าอัตตาตามถ้าวิเคราะห์ตามเฉพาะรูปศสา์ได้ไม่เวียนนะ ในขณะเดียวกันถ้าเรามาดูตัวประโยคแล้วมันก็จะมีความหมายสองประเด็นนี้เพิ่มขึ้นมาในความหมายของคําว่าอนัตตาด้วยอันนี้อย่างไรก็ตามเป็นความเห็นนะความเห็นของคนความเห็นกองธรรมมาความเห็นของมราเถรมงคความเห็นท่านผู้ฟังทีนี้พระพุทธเจ้าว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอนัตตาเป็นสิ่งที่เราควรจะเห็นว่านันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็คือตามนี้แหละ ปฏี ค, ความมันก็แต่ละคนก็อาจจะตีความไปได้ไม่เหมือนกัน เ, เราก็มาดูที่บาลีมันก็จะค่อนข้างชัดเจนนะถ้าเราดูตัวบเพียนชนะเป็นอย่างที่ว่าว่าณอาันะอาตากับอนัตตานี่ก็เหมือนกันในขณะเดียวกันคําว่าอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าปฏิเสธความเป็นอัตาอย่างเดียวนะยังรวมถึงไม่ใช่ตั ว, ตวเราด้วยไม่ใช่ของเราด้วยอันนี้อาจจะยกตัวอย่างให้ได้ว่าอย่างเช่นว่าเราพูดถึงต้นยญ้ายอย่างนี้ ต้นญ้านี่ไม่ใช่ตัวเราแน่นอนอืมถูกไหมต้นญ่านี้ไม่ใช่ตัวเราแน่นอนเอ่อแล้วก็ต้นญ่านี่มันก็ไม่ใช่ถ้าถ้าบางคนอาจจะคิดว่าเป็นของเราก็มีอยู่ใช่ไหมแต่ต้นญ้านี้ไม่ใช่อัตราของเราแน่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราแน่ไม่ใช่ครับอ่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันจึงมีสามส่วนอยู่บางคนอาจจะเห็นว่าต้นญ้านี้ไม่ใช่ตัวตนอยู่บางคนอาจจะเห็นว่าต้นญ้านี้ไม่ใช่ตัวเราอยู่แต่ต้นญ้านี้เป็นของเราก็มี เนี่ยระเด็นก็ยังเขายังยังไม่เห็นความเป็นอนัตตาหรือแขนนะแขนแขนเป็นตัวเราไหมใช่นะถ้าคนตัวไปคิดแต่ไหมแขนเป็นตัวเราเป็นของเราด้วยเอาไปคนอื่น ใ, ใช้ไม่ได้นะแล้วก็เป็นตัวตนก่อนอันนี้คือแน่นอนมีสามส่วนที่ในเรื่องของแขนแต่ญ่าเนี่ยเราจะต้นญ้าเนี่ยนะต้นญ่าเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีมันมันก็ไม่ใช่นะส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งถ้าไม่ใช่ทั้งสามส่วนนี่มันก็ยังไม่ใช่เป็นยังไม่เป็นอนัตตา ครับท่านครับเดี๋ยวมีมีติดประเด็นนิดนึงเรื่องของอัตตาแล้วก็อัตตาคือตรงกันข้ามกับตาผมเคยได้ยินคำว่านัตติตาือียวกับก็คือเหมือนไม่อัตตาก็คือยึดยึดในตัวตนแต่นัตติตาเนี่ยไม่ไม่ยึดอะไรเลยเออคือหมายว่าอันนี้ก็มาเปรียบเทียบกันอ๋อเปรียบเทียบกันมาเปรียบเทียบกันในความที่จะทำให้ความเข้าใจคำว่าอัตตาได้ ในอย่างนั้นก็ตามมันก็จะคือคืนนัตอตาเนี่ยกับนัตติตานัตติตาก็ไม่ใช่ว่าจะเท่ากับนัตอตามกันอ่ะมันก็จะมีส่วนที่ไม่ตรงกันเหมือนกันอ่ะเลื่อมๆกันอีกใช่ทีนี้มันเป็นก็เรียกว่ามันมีหลายส่วนเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นสุดตรงใช่ไหมสองข้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีสองคู่นี้มันจะมีสามสี่คู่ห้าคู่หคู่นีซึ่งก็รวมรวมเป็นที่ติหกสิบสอง อัตาก็เป็นหนึ่งในที่เที่ยส<อ>ิบสองนัตตาก็เป็นหนึ่งในที่เที่ยวสิบสองขันต่างๆก็มีหลายอย่างเป็นหกสิบสองอย่างตรงนี้ทีนี้อัตตาอันนัตตาเนี่ยนะอันนัตตานี่นะนนนะไม่ใช่ช<อ>ทั้งหกบสออย่างนี้ไงออ่ามันก็จึงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดคําว่าอันนัตตาเนี่ยยังกินความหมายรวมอื่นมากไปกว่าคําว่านัตตาอยู่แต่ทําถ้าโดยรู้ศัพท์แล้วเนี่ยมันใช่มันมันเหมือนกันอะ่ะถ้าโดยรูศร้ศัพทบนะ ก็คิดว่าอ่าอย่างไรก็ตามตรงนี้มันก็ความเห็นของของแต่ละคนนล้วก็ค่อยๆพิจารณาดูกันไปล้กันถ้ามีความเห็นย่างไรก็เขียนอใส่ความเห็นกันเข้ามาได้แล้วก็ยินดีรับฟังครับครับแล้วอย่างมีข้อธรรมที่บอกว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาคือทำทั้งหลายเป็นอนัตตาก็คือก็คือตัวนี้แหละถูกอ๋อก็คือตัวนี้อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้แหละเป็นเป็นอนัตตา ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาทำทั้งที่ควรละก็เป็นอนัตตาทำที่ควรทำให้มากก็เป็นอนัตตานะทำที่ควรทำให้เจริญก็เป็นอนัตตา อ, อ, อ, อ, อ, อนัตตานี้จะจะเป็นอยู่ในระบบสมมุติใช่ไหมครับตัวอนัตตาแต่ถ้าระบบ ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเราเรารับรู้อนัตตาได้ยังไงคำตอบก็คือรับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรารับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ในนิพพานอย่างเงี้ยในระบบวิมุตตเนี่ยมันไม่มีตาไม่มีหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ใช่อนัตตาแน่เลยคือไปถึงจุดที่สุดนะที่ที่จบนะครับ อ่นะต่อไปมีครั้งหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาตมาได้ไปนั่งสมาธิคือก็นั่งสมาธิอยู่เรื่อย ๆ, ๆนะก็มีความคิดนี้ปรากฏขึ้นมาเหมือนกัผมว่าว่าอะไรครับออชีวิตมนุษย์เนี่ยมันอายุสั้นมากแต่ถ้าพูดถึ ง, ร, งร้อยปีเนี่ยสั้นมากๆจริงครับนะเอ่อในเรื่องนี้เนี่ยพระเจ้าเคยเล่าให้ฟังนะว่ามีมีศาสดาคนหนึ่งเนี่ยอาตมาจําได้เรื่องคร่าวๆคือคือความคิดนิ่มปรากฏขึ้นมาก็เลยมาเล่าให้ฟังนะ ว่าเขาพูดถึงในสมัยที่อายุมนุษย์เนี่ยมีอายุหลายพันปีอยู่หรือหรือเป็นขั้นหมื่นปีเนี่ยแหละนะหม่นก็ยังบอกว่ามนุษย์นอายุสั้นมากแล้วมาเปรียบเทียบอะไรกับมนุษย์ในอายุแค่ร้อยปีนะสั้นมากจริงๆครับแล้วเราเรามีเวลาน้อยในการที่จะสร้างสมความดีสัากการณ์ทำที่สิ่งอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเอาแค่คว่าเราเรียนรู้ศาสตร์อย่างเงี้ยไหนคุณคจะเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไหนคุณจะเรียนรู้ทางด้านการแพทย์ ด้านสุขภาพอีกแล้วไหนรเรื่องนั้นเรื่องนี้รเรื่องการเมืองะโอ้โห <c oughs> มันมันสับเยอะมากจริงนะเราเรียนชีวิตนี้มันไม่หมดจริงๆอะ่ะ <c oughs> เออพราะฉะนั้นเวลาเราน้อยมากจริง <c oughs> ๆนะทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเอเพราะฉะนั้นเราจึงจึงจะต้องใช้เวลาเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดออืค่ <c oughs> ใช้เวลาเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการที่จะทําความดี <c oughs> ชีวิตเร า, าสั้นมาก แล้วก็มีสิ่งที่จะต้องมาให้เดือดร้อ น, อนเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยมันมีมากนะคือถ้ารเรามีอายุยืนยาวนานบางทีคุณอาจจะทานั่นทำนี่ทำโน่นดได้นะ<ม>คุณอาจจะไปเรียนสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้คุณอาจจะไปทำ อ, อื่นได้แต่ว่าคราวนี้เราช้่นมากจริงเราต้อ ง, ต, องต้องรีบจะเรียกว่ารีบก็ได้จะเรียกว่าจะต้องใช้ประโยชน์ให้จากเวลาให้เราได้มากที่สุดอะ<ม>ครับมีมีม มีปรคิดเหมือนท่านอาจารย์ครับว่าเวลาเราสั้นแต่บางทีเราเราเรกว่าโอ้สมมติว่าร้อยปีเอาร้อยปีเป็นตัวตั้งเนี่ยบางคนโอ้ร้อยปีกว่ากว่าจะแก่เนี่ยคือคนส่วนใหญ่คิดว่าโอ้มันนานแต่ว่าผมผมคิดอยู่บ่อยๆว่าเราคิดว่าปีหนึ่งเนี่ยมีสามรอหกส้าวันใช่ไหมครับเอาร้อยปีเติมศูนย์สองตัวก็คือพอคิดว่าเป็นวันคือ 36,500 ้า้อวันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอ๊ะมันก็ไม่เยอะนะครับมองเป็นวัน ใช่นี่เราผ่านมาแล้วสมมติอ่องตัวเองก็คือ44ปีโอ้ ม, มันก็ครึ่งค่อแล้วครึ่งคอแล้วแล้วคิดว่าจริงๆคงอยู่ไม่ถึงนะครับคิดว่าครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจึงจึงใช้เวลาของเราให้ให้เกิดประโยชน์ในการที่จะไปสร้างความสุขสร้างบุญบุศส่ที่จะให้เรามีความสุขในสิ่งที่มันมีพบยืนยาวขึ้นไปนะ หรือความสุขที่สุดยอดเลยก็คือเป็นความสุขเป็นที่ไม่ต้องมา<ท>เกิดอีกอา่าครับทีนี้ถามว่าสั้นหรือยาวมันต้องมีที่เปรียบเทียบอ่ายุสั้นหรือยาวมันต้องมีที่เปรียบเทียบนะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบกับอายุของกาบอย่างเงี้ยอย่างอายุของโลกนะหรือเราเปรียบเทียบกับอายุของเทวดาก็ได้นะอายุของเทวดานี่ยาวมากม น, นุษย์โลกมันน้อยนิดเดียวนะแล้วเราจะมาหาความสุขตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากจริง จริงครับอย่างเด็กของเด็กเล่นเนี่ยที่เราเคยมีมเล่นสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยเล่นลูกขาง เ, เล่นโยโย่อะไรอย่างเงี้ยโตแล้วเนี่ยเราไม่ไปเสียเวลาเล่นพวกนั้นอีกโอ้เล่นลูกทางสนุกจังเลยเล่นโยโ ย, ย่สนุกจังเลยเล่นต่อตุ๊กตาสนุกจังเลยเล่นต่อไอตัวเลโก้สนุกจังเลยมันมันไม่ใช่แล้วอ ม, มันกลายเป็นเรื่องไร้สาระในตอนไวัยวัยโตนชครับใช่เช่นเดียวกันถ้าเราเห็นชีวิตที่มันยืดยาวออกไปเนี่ยนะ เราจะมองไว้เอเ อ, เอชีวิตที่ตรงน้อยๆมันเรื่องไร้สาระมากเลยครับผู้เชา่าเปรียบตรงนี้เหมือนกับชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเห็นฟองน้ําที่เกิดจากฝนเมล็ดหยาบที่ตกในท้ายของฤดูฝนเนี่ยตกลงไปบนน้ำใช่ไหมมันก็เปอกขึ้นมาสั้นคแค่นั้นนะหมอครับผโอ้เร็วมากเลยนะครับสั้นนิดเดียวปอกปอกปอกปอกหยดน้ําหยดลงบนผืนผิวน้ําอหรือว่าเปรียบเทียกบกับพยับแดด ยิบยับยิบยับยิบยับเนี่ยบ๊บบวบบวบไปแค่นนเองสั้นมากน้อยมากแกรมมันไม่ควรเลยที่เราจะต้องเห็นว่าอันนี้เป็นตัวเราของเราตัวตนของเราใช่ไหมเพื่อที่จะควรมากๆหน่อยท่านถึงกล่าวว่าที่วันเวลาล่วงไปบัดนี้ท่านทําอะไรอยู่ใช่เวลาเราน้อยมากเราน้อยมากน้อยมากๆอย่างชีวมนุษย์คนหนึ่งอายุประมาณร้อยปี ถาว่าคุณเห็นชีวิตของไอ้เจ้าฟองน้ำบับเบิลเนี่ยนะไอ้ที่มันตกลงแล้วก็มันก็เป็นฟองน้ําเป็นฟองของอากาศขึ้นมาอากาศแล้วก็เรียกว่าฟองอะไรอ่ะฟองอากาศออืฟองอากาศเนี่ยแล้วก็แตกออกมันไม่พอวินาทีหนึ่งด้วยมั้งใช่ครับประมาณสักสองวินาทีสองสามวินาทีใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันสั้นมากจริงๆในเมื่อมันสั้นขนาดนี้เราเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระมาก เออถ้าทําไมเราเห็นชีวิตเรามันเป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องแบบซีเรียสเป็นเรื่องที่จะต้องแบบเอาเป็นเอาตายเอองั้นน่ะเพราะอะไรต้องดีเธอใช่ครับอืมเพราะเกิดความยึดมั่นถือมั่นเมตหรือเปล่าครับเนี่ยเราเห็นอย่างเราเห็นของเห็นเด็กน้อยอย่างเงี้ยนะผมเล่นของเด็กเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมวางไม่ยอมให้คนอื่นยืมเราเห็นว่าเออเป็นเรื่องไร้สาระมากสำหรับเด็ก ก็ให้เขาทำทำไปเถมันเดี๋ยวโตวขึ้นมันก็รู้เองไงนะคือถ้าเราเป็นเป็นลักษณะของคนที่มีอายุเป็นหมื่นหะมื่นปีเนี่ยนะในสมัยคนที่อายุหมื่นหมื่นปีเนี่ยมองมนุษย์ในสมัยที่อายุร้อยปีเนี่ยผมมันเป็นเรื่องที่ที่เล็กน้อยมากมเลยเหมือนผู้ใหญ่มองเด็กโวงของเล่นนะ่อืมครับครับโ อ, อโอ้ยอย่าไปห่วงเลยพยายามบอกลูกอย่าไปห่วงเลยแบบงเขาเล่นบ้างเถอะนะหรือว่าโอ้ยอย่าไปเล่นเลยของนี้มันไม่สนุกหรอกเล่นของอื่นดีกว่าอย่างเงี้ย ออือออก็เป็นลักษณะที่ว่าเราอย่าไปยึดถืออะไรมากเลยมันชีวิตนี่มันก็เป็นธรรมดาครับ อ, อย่างในชีวิตจริงๆของก็เห็นอย่างคนที่ โ, โหแบบบางคนก็โหหลงไหลในทรัพย์สมบัติเงินทองโอ้โหแบบว่าเหมือนกับจะจ ะ, จะต้องกอดเงินนี้ไว้แล้วก็เอ้ยเราก็นึกพอเขาตายไปเนี่ยแม้แต่บาทเดียวก็คงเอาไปไม่ได้ใช่ไหมครับใช่มันมันเอาไปไม่ได้จริงๆอะเราถามเอ๊ะทุกคุณจะมาห่วงอะไรเนาะ ครับมันก็งงๆกันนะเหมือนเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะไปค้นควายหาสาระในพยับแดดอย่างเงี้ยค้นค ว, วายหาสาระในฟองน้ำฟองอากาศฟองฟองอากาศด้วยฟองน้ําด้วยก้อนฟองน้ําอย่างเงี้ยมันไม่มีแกนอยู่ข้างในนะมันเป็นแต่นิ่มๆอยู่นะฮะแกนไม่มีหรือบางคนจะไปหาแกนไม้จากต้นกล้วยอย่างเงี้ยต้นกล้วยมันไม่มีแกนไม้คุณไปหามันไม่มี ม, ม, มันมันไม่มีสราระจริงๆมันมันน้อยมากนะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะต้องมาเป็นยึดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานะเป็นอัตตาของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราครับในในตัวข้อธรรมเนตังมะมะเนโซหะมัสมิณนะเนสวอัตตาเนี่ยเขาเรียกเป็นอข้อธรรมที่หลวงพ่อสอนบ่อยมากพูดพูดบ่อยนะครับ ใ, ใ, นในพระสูตรเนี่ยอันนี้เจอบ่อย แด้ได้ได้ยินครูบาอาจารย์พูดบ่อยมากแต่ว่าข้อธรรมตรงนี้เหมือนกับว่าแทนแทนเหมือนกับเป็นตัวแทนที่จะกล่าวถึงข้อธรรมข้ออื่นได้มากเลยใช่ไหมครับอการนี้พี่เจ้าจะพูดถึงเรื่องความที่สอนบ่อยเนี่ยนะแต่ว่ามีภิกษุผู้ที่เคยไปทําวิจัยว่าอันไหนสอนบ่อยเนี่ยก็พราบว่ามีเรื่องของทุกเนี่ยสอนบ่อยเรื่องของอนัตตาเนี่ยสอนบ่อย เพราะนั้นเรถ้าเราพูดถึงเรื่องอนุตาสอนบ่อยมันก็ครูเช้าสอนเรื่องนี้บ่อยแล้วก็เรื่องความที่อายุมนุษย์มันสั้นนี่ก็พูดอยู่หลายๆจุดอยู่อันนี้จะทําให้เราพบว่าอันนี้ก็สอดคล้องกับคําถามของคุณครูแห ม, ม่มบดีนะที่ถามเกี่ยวกับว่าแล้วอะไรล่ะที่เป็นสุขกันแน่ถ้าว่าตรงนี้มันทุกข์นะสิ่งที่เป็นสุขในที่นี้ก็คือว่าความที่ว่าง ที่ได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเมื่อเราปล่อยวางแล้วเหลืออะไรนั่นก็เหลือความว่างนี่ไงนะความว่างตรงนี้จึงเป็นความที่เป็นสุขแต่ถึงแม้ความรู้สึกที่เป็นสุขคือสุขเวทนาเนี่ยมัน<ะ> เ, เราวางได้เพราะมันเป็ น, ปนอนัตตาถูกไหมพอเราวางแล้วเนี่ยไอ้สุขเวทนาจะเหลืออะไร ว, วางเวทนาแล้วจะเหลืออะไรนั่นก็เหลือความว่างของเวทนางซึ่งตรงนี้มีเป็นสิ่งที่ถ้าจะพูดก็คือ มีความสุขมากกว่าเจ้าสุขเวตนา น, นั้นเป็นสุขที่ละเอียดใชละเีก<ง>ว่าตรงนี้คือนิพพานคือความหวางละหวางละเพราะฉะนั้นอดี๋ยสมมุติเราวางการปฏิบัติเบียดเบียนได้ะอันนี้ก็เป็นนิพพานของของอชาติที่หนึ่งขอไปเป็นนิพพานของการปฏิบัติเบียดเบียนเป็น<อ>ชาติที่หนึ่งบวกกับนิพพานของการปฏิบัติเบียดเบียนพอเราวางวิตกวิชานได้ความคิดคิดนู่นคิดนี่ไปเราวางได้อันนี้ก็เป็นเหลืออะไรหลือชาติที่สองบวกกับ ความนิพพานของฌานที่หนึ่งอย่างเงี้ยอ๋อครับดีนะพอเราวางไอ้เจ้าปีติได้ใช่ไหมเราก็จะเหลืออะไรเหลือสุขนะคือฌานที่สามบวกกั บ, บนิพพานของฌานที่สองย่างเงี้ยอืมครับก็ไล่ไปไล่ไปเราก็จะเราก็จะพบว่าเออมันก็ไอ้ตรงความนิพพานของฌานที่สองเนี่ยนะก็เป็นสุขมากกว่าเจ้าพวกฌานที่สองเข้าใจไหมก็คือฌานที่สามนั่นเอง ร, ะระละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสัปดาห์ที่แลที่บอกว่าพอวางอะไรไปได้สมมุติเราวางได้หนึ่งในสามก็เหลือสองในสามบวกกับความว่างของหนึ่งในสามนั้นเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ก็เป็นนิพพานก็ไหลไปไล่ไปอย่างเง<ร>ี้ยนะครับอ<น>แต่คํากล่าวเรื่องนิพพานังปรามังสุ ข, ขังนี่คือนิพพานแบบแบบที่เรียกว่าหมดหมดจดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ก็<ม>วางได้ไปเรื่อยเ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆจนกระทั่งมันไม่มีอะไรเหลือแล้ว อก็คือนี่เป็นสุขอย่างที่สุดประมังสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นปรมสุขอืแล้วตรงความว่างนี่แหละตรงนี้คือความว่างนิพพานังประมังศูนย์ยังศูนย์ยังในที่นี้เนี่ยในภาษาไทยเนี่ยแปลว่าศูนย์ใช่ไหมเนี่คือไม่มีศูนย์นีคือจบแล้วศูนย์นี่คือแบบเสียหายคุณเสียคุณจึงเป็นศูนย์ใช่ไหมที่ทำให้ทําให้เรากลัวว่าเอ๊ะนิพพานมันมันดีจริงหรอมันเราต้องเสียอะไรไปต่างหาต้องเยอะแยะเลยนะ แต่จริงๆแล้วในภาษาบาลีเนี่ยสุนญ์ยังเนี่ยมันแปลว่าว่างก็ได้อ่าถ้ากาศใช่ว่างๆเพราะฉะนั้นถ้ า, า, ถาอย่างอย่า ง, อ ย, า ง, อ, ยางอย่างเวลาที่เราไปทํางานมามากมายเลยเราขอไปหยุดพักว่างๆสักสักครั้งหนึ่งได้ไหมเนี่ยในความว่างตรงนี้แหละคือสุนอย่างในรือวัวควายอย่างเงี้ยก็ใส่แอกแบกมันให้มันลากของลากอะไรโอ้โหมาทั้งวันแล้วไถนองไถนาอะไรอย่างเงี้ยพอปลดแอกออกเนี่ยนะ มันก็อยู่ว่างๆเฉยๆมันก็สบายหรื อ, อเอกถือของมาหนักๆหนักๆหนัก ๆ, ๆเนี่ยเราวางเสร็จปุ๊บเราขออยู่ว่างๆสบายๆได้ไหมอย่างเงี้ยคุณทํางานมา ห, หนักทั้งปีเนี่ยคุณจะหยุดสักห้าวันเนี่ยก็ไม่ได้ว่าหยุดต้องไปเที่ยวไหนไปต่างจังหวัดไปอะไรก็หยุดอยู่บ้านสบายๆอย่างเงี้ยหรือไปที่เออที่ที่ว่างๆต่างจังหวัดก็ได้ที่ว่างๆคือไปต่างจังหวัดก็ไปหาความว่างเหมือนกันความว่างตรงนี้แหละคือศูนย์อย่าง เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่านิพานว่างอย่างยิ่งอันนี้ถึงจะถูกแต่ถ้าถ้าจะแปลโดยอัฏฐานะะถ้าจะแปลโดยอัาเป็นควาว่างอย่างยิ่งใช่นิพานเป็นความว่างอย่างยิ่งว่างจากอะไรว่างจากความปวดหัวว่างจากความหนักว่างจากความมึนตึงว่างจากสิ่งอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีทั้งหลายตรงนี้คือความว่างเพราะฉะนั้นเราอยู่ว่างๆเราจิตเราสบายใครจะว่าอะไรยังไงก็ไม่มีอะไร เป็นคนท e ี day, ่เรียกว่าถอดเขี้ยวเล็บออกแล้วจินใจสบายอย่างสมณะอย่างเงี้ยนะพระอย่างเงี้ยเป็นผู้ที่เหมือนกับถอดเขี้ยวเล็บออกแล้วนะคือคือถ้าจะเปรียบเหมือนโคเนี่ยท่านปรมาจารยบุตรเคยเปรียบไว้เปรียบเหมือนโคที่ถูกตัดเขาออกนะฝึกมาอย่างดีแล้วถูกตัดเขาด้วยนะไปไหนก็ทําร้ายอะไรใครไม่ได้นะหรือเปรียบเหมือนกับเด็กจันทานนะที่แบบไปไหนก็ต้องคอยจิมเนื้อจิมตัวเข้าไปสู่บริษัทไหนก็ต้องคอยจิมเนื้อจิมตัวสมณะนะ นะืรหรือเปรียบเหมือนกับดินดินน้ําไฟลมเนี่ยที่เขาทิ้งของอะไรสกปรกไม่สกปรกโสโครกต่างๆลงไปเนี่ยก็จะจ ะ, จะไปรู้สึกเกลียดชังนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องรับเอาไวา้นะืหรือเหมือนผ้ากีริ้วที่ใช้เช็คสิ่งสกปรกเนะืช็ดไปชิดไปอะไรก็มันก็จิตเป็นอย่างเงี้ยนะืหรือเหมือนคนที่มีซากงูมาคล้องบนคอคนที่เหม็นๆเนี่ ย, ยใครไปก็ต้องรังเกียจเนะต้องมีทําตัวเป็นอย่างนี้หรือเหมือนคนที่ ถูกบังคับให้ถือภาชนะน้ำมันแล้วก็มีเพิชชาตอยู่ตามอยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าสมมุแม้แต่หยดเดียวจะต้องสูกปาดคออย่างเงี้ยปาดคอเนี่ยสมณะก็เป็นอย่างนี้คือพูดที่สงบแล้วสงบระงับแล้วต้องเจียมตัวอย่างนี้เลยครับเจียมตัวเหมือนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคอับจีมเนะ้จีมตัวข้าวข้าวก็ยังต้องให้เขากินหรือจะไปเอาอะไรอืมไม่ไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เลย เป็นผู้ที่ไม่มีเที่ยวเล็บเป็นผู้ที่ไม่มีโทษภัยอะไรทั้งสิ้นเลยนะเป็นผู้ที่เอหมดภาระแล้วปรงภาระแล้วเป็นผู้ที่เออ่ไม่เอาอะไรแล้วเอาอะไรที่โลกโลกเขาเอาเราก็ไม่เอาแล้วครัเนี่นะคือเราฝึกจิตแค่ส่วนนี้ครับที่ที่มีมีพระสูตรว่าบรรพชาเป็นโอกาสว่างอารวะเป็นทางมาแห่งทุลีใช่ใช่ชัดเจน พระฉะนั้สมานะเนี่ยก็เป็นผู้ที่ต้องเจียมตัวเป็นบาตินี่ก็ต้องให้เขาเอามาให้ใช่ปะเราก็คือเอามาให้เนี่ยคือหมายความว่าขอกินนะนะไม่ใช่ว่าต้องไปขวนขวายหาอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เวลาพระเจ้าเนี่ยจึงให้คารวะเนี่ยนะปฏิบัติกับสมาะเนี่ยผู้ที่หมดเที่ยวเล็บแล้วเนี่ยนะด้วยการที่ให้มีเมตตากายกรรมมีเมตตาวจีกรรมมีเมตตาวโนกรรมนะคอยเปิดประตูต้ตอนรับ แล้วก็คอยถวายอมิสสถานก็ใช่ไหมครับคือมีเมตตาทั้งกายวาจาใจ อ, ะอ่ ะ, อะเพราะยังเด็กจันทาอย่างเกกาางี้ยไปไหนนี่ก็อุย้ยเราจะไปคิดตีเขามันก็ก็ต้องเป็นเจียมตัวในบรรดาต่าของเขาใช่ไหมบัวที่ถูกตัดเขาแล้วฝึกมาดีแล้วไม่ทําร้ายใครอย่างเงี้ยเราจะไปตีเขามันก็ไม่ดีเราก็เมตตาเขาอย่างเงี้ยนะอะหรือเหมือนกับผ้าที่ใช้ชุดของสกปรกอย่างเงี้ยอเราก็เมตตา ไม่ได้ไปทําอะไรให้มันเสียหายอย่างนี้นะไม่ได้ไปใช้อะไรมากอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะนี้อะนะ<ม>เพราะฉะนั้นบุคคลที่ไปหลีกเร้งก็ตามหรือเป็นผู้ที่บานประพฤติพรหมจรรย์เ อ, อเป็นผู้ที่อยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติรพรหมจรรย์ก็ตามคือเป็นลักษณะการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะแล้วก็ให้เป็นผู้ที่มีเมตตากายกรรมมีเมตตาวจีกรรมมีเมตตามัณฑกรรมต่อ บ, บุคคลเหล่านี้อเพราะว่าไม่ได้เป็นโทษภัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเตือนไงว่า พระสงฆ์เนี่ยนะหรือผู้ประพฤติพระมาจันเนี่ยนะถ้าคุณยังมีพิษมีภัยเนี่ยโอ้โหมันยิ่งบาปนะบาปมหาสาลหมายถึงคนที่ไปทําอันตรายกับหมายถึงว่าตัวตัวพระสงฆ์เนี่ยตัวคนที่ไม่ดีเนี่ยนะยิ่งบาปมหาสาลคูณสองเพราะว่าคุณหนึ่งเขาต้องมีเมตตากับคุณใช่ไหมแล้วคุณยังไปทําไม่ดีอ่ะครับเอออันนี้พระเจ้าเคยเตือนไว้อย่างมากเลยอืมแล้วก็ยิ่งเป็นคือโทษเท่าทวีคูณ เหมือนกับหญ้าหญ้าเขาเรียกหญ้าแพรกหญ้าแฝกอะไรเนี่ยนะสักหญ้าหนึ่งเนี่ยนะพูดหรไม่ถูกกับเขาลนะ<อ>ไปหยิบเนี่ย<ช>ถ้าหยิบไม่ดีเนี่มันจะต้องบาดมือแต่ถ้าหยิบดีก็ใช้งานได้แต่ประโยชน์มา ก, กจริงแต่โทษก็มีมาด้วยนะเช่นเดียวกันสมณะนี่หรือการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมีประโยชน์นะเป็นความว่างที่คุณได้ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าคุณทําไม่ดีโอ้ยิงโทษมาก เป็นเหมือนบบดาบทวีคูณดาบที่หมกอยู่ในสังคติดาบที่ซ่อนอยู่ใน<อ>จีวรนะนะอันตรายมากเลยคนแบบนี้ยิ่งอันตรายต่อสมมติเนตพงศ์ไปบูชาภิกษุสักรูปใดรูปหนึ่งภิกษุ ร, รูปนั้นปรากฏว่าเป็นภิกษุดีนะหมอเนตพงศ์มีความกายกรรมดีวจีกรรมดีมนโนกรรมดีที่เป็นเมตตาต่อบุคคลนี้เ อ, อันนี้จะเป็นทางแห่งบุญกับหมอเนตพงศ์เองแล้วก็ตัวบุคคลนั้นในสมณะผู้นั้นเนี่ยเขาก็จะ ดีของเขาเองเพราะเขามีศีลแต่ถ้าปรากฏว่าสมณะอีกรูปหนึ่งเป็นสมณะที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเป็นมีความคิดโลภมากมีไม่ได้อยู่ในศีลน่ะพูดง่ายๆใช่ไหมเราก็มีสิ่งที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นอย่างเงี้ยการกระทําของหมอทัตพงกับบุคคลผู้นี้เนี่ยก็จะไม่หมอรทตพงไม่ได้บุญมากไม่ได้บุญน้อยนะแล้วก็ไมบุญน้อยใช่แล้วก็ตัวผู้นั้นเองเนี่ยยิ่งจะบาปมหาศาล ออืบาปมหาศาลเป็นความเสื่อมของใช่กินข้าวที่เขากินข้าวที่เขาถวายไงนะกินก้อนเหล็กลูกแดงที่มีไฟลูกแดงดีกว่าหรือว่าใช้ของผ้าจีวรที่เขาถวายนี่นะเอาสู้เอาไปตัวเอาไปลมควันย่างไฟดีกว่ายังจะดีกว่าด้วยซ้ําที่จะไปรับผ้าที่เขาถวายด้วยศรัทธาและตัวเองมีจิตเป็นอย่างนั้นนะะอืผมผมนึกเปรียบเทียบถึงสมมติว่าในทางโลกเนี่ยเหมือนผู้คุมกฎหมาย แต่ทำผิดกฎหมายเสียเอง อ, อย่างนี้ใช่ครับความผิดเหมือนกับเท่าทวีคูณเหมือนกันในในขณะที่ตัวพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้ออกกฎหมายเลยนะไม่ได้คุมกฎหมาย้วยนะแต่เป็นผู้ที่ว่างจากการที่ต้องมาดูแลอะไรเงี้ยแต่ตัวเองทำไม่ดีอีกอะ่นะยิ่งจะไม่ไมดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่เขาทำตัวแบบจิมนิจิมตัวทำตัวแบบ ที่เรียกว่าอยู่ง่ายๆกินง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็คอยระวังจิตของตัวเองที่ที่ทานภาษาดีบุตรเหมือนกับเปรียบเหมือนกับโคที่ถูกตัดเขาแล้วอะนะครับเนี่ยไปถามจะมาไปถามชาวบ้า น, นว่ า, าควายวัวควายเนี่ยทําไมเขาจะต้องมาเซียมเขาเรียกว่าเอาเอาตะไ บ, บเนี่ยไปตัดเขาเออเขาเรียกว่าไปทำเขาให้มันแหลมแหลมแหลมแมมนมนม น, มนไม่ใช่ทําให้มนนะทําให้มันแหลมยิ่งขึ้นใช่โดยเฉพาะยิ่งตัวหัวหน้าฝูงเนี่ย เพราะว่าเพื่อที่จะให้มันเนี่ยมันสบายใจเวลาไปไหนมันชนกับเขาได้สู้กับเขาได้เดี๋ยวถ้าไม่มองเห็นแง่มุมที่ว่าโอ้หถ้ามันถูกตัดเขาออกแล้วนะวัวตัวนั้นควายตัวนั้นเนี่ยยิ่งเจียมตัวมากมากเลยเจียมตัวมากมากเลยแบบว่าไม่จะไม่แยมกับใครไม่สู้กับใครว่างหลีกออกหนีปล่อยวางไม่ยุ่งนี่เนี่ยคือคือความว่างเป็นโอกาสว่างที่เราว่าพูดถึงอย่างเนี้ยนะคือครูแหม่มถามมาว่าเรื่องของ อนุปาที่เสสนิพานและสะอุปาที่เสสนิพานอืคืออะไรครับ2ก็ 2> โดยพระวจนะที่มีอยู่ในตําราพระเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าสอุปปาที่เสสนิพานธาตุเนี่ยก็คือว่าคนที่สิ้นอสวรแล้วนะเป็นพระอรหันต์แล้วนะอยู่จบประมจันแล้วนะได้ทํากิจของตัวเองได้แล้วนะมีกิเลสสิ้นแล้วนะหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบนั่นนี่คือสอัุปปาที่เสสนิพานธาตุนะ แล้วก็อนุปาทิเศสนิพพานะก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้นะหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบนทีนี้สัพพนิเศสนิพพานธาต่างกันยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าอินทรีย์ห้าของเธ อ, อยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกำจัดเธอย่อมสวยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจบ้างไม่เป็นที่ชอบใจบ้างทําให้รู้สึกสุขและทุกข์บ้างความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะของเธออันใดอันเนี้ย เรียกว่าสักอุปาทิเศ ส, สนิพพานธาตุนะพุทธเจ้าเน้นตรงที่ว่าสิ้นไปอะไค่ะโทสะโมะนะทีนี้พอพอพูดถึงอนุปาทิเศ ส, สนิพพานธาตุคืออะไรนะพูดถึงพระอาหารหันต์ที่มีจิตดับเย็ น, นกันนะหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบแล้วนะแล้วก็เน้นตรงนี้ว่าเวทนาทั้งหลายทั้งปวงของเธอนั้นอันเธอไม่เพลิดเพลินแล้วจากดับเย็นในโลกนี้นั่นเองนะเรียกว่าอนุปาทิเศ ส, สนิพพานธาตอืนต่างกันตรงนี้นะเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกัน พระอรหัน์แบบที่เป็นอุปาทิเศสนิพันธาต์เนี่ยยังสวยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจบ้างไม่เป็นที่ชอบใจบ้างรู้สึกสุขบ้างและทุกบ้างพระอรหารเนี่ยนะยังรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างมีอารมณ์ไม่เป็นที่ชอบใจบ้างอย่างนั้นหรืออืมครับแต่ว่ายังมีเวทนาอยู่อ๋ออสัตย์คือว่าครับคือคือตรงเนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงความที่สิ้นไปของราคะโทสะโมหะอันไหนเนี่ยตรงนั้นเนี่ย เรียกว่าสอุปะที่เศ ส, สนิพันธาเพราะฉะนั้นสองรูปที่เป็นผ้าหลานประเภทที่สอุปะทิเสสนิพันธากับอนุปปะิเสาสานิพันธาเนี่ย น, นะ <charter? S 1> ก็ราคะโทสะโมหะนี่หมดไปเหมือนกันนะหมดหมดไป <tragen. S 1> เหมือนกันแต่ประเภทแรกนี่สัพปะทิ่เสสานียังมีอารมณ์เกิดขึ้นบ้างเฮ้ยทำไมมีอารมณ์เกิดขึ้นบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง <Never. S 1> นะคือคือเกิดขึ้นในเจตนะเกิดขึ้นในเจตนะแต่การตอบสนองเนี่ย มันไม่มีแล้วไงเพราะว่า <aside. S 1> ไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยการตอบสนองทางกายวาจาใจเนี่ยจึงไม่เป็นไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นที่เป็นเขี่ยวเล็บไม่เป็นทำอันตรายต่อใครครับเป็นประเภทนี้เหมือนกันนะการตอบสนองกลับทางกายวาจาใจนะจึงไม่เป็นภัยต่อใครทั้ง2แบบแต่บแบบแรกนี่ยังได้รับเวทนาที่เป็นทุกข์อยู่บ้างเป็นสุข บ, บ้างนะสวยอารมณ์มันชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอย่างนี้เป็นทําไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะว่าอินทรีย์ยังไม่ถูกกําจัดอินทรีย์ยังไม่ถูกกําจัดในอินทรีย์ทั้ง5ยังตั้งอยู่ในอินทรีย์ทั้ง5ในที่นี้เขาก็ขยายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายหรือเปล่าครับใช่ตรงอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยก็คือหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างใช่หมครัทีนี้เรามาดูรูป飒คำว่าะอุปาทิเศษ飒เนี่ยเราก็ยังมีอุปทานเหลืออยู่นะส่วนอนุปาทิเศษ飒เนี่ยคือไม่มีอุปทานเหลืออยู่ละ อุปทิอุปทนะิไม่มีอุปทิเหลืออยู่ละส่วนพวกนี้ยังมีอุปทิเหลืออยู่อุปทิตรงนีนะ้ถ้าเราดูตามความหมายนะที่พุทธเจ้าพูดถึงขันเรียกว่าอินรีย์ทั้ง5้ายังเหลืออยู่เนี่ยถามว่าอะไรเป็นเหตุของอินทรีย์อินทรีย์นี่หมายถึงภาษาใช่ไหมอินรี่ห้าตรงนี้เนี่ยนะเพราะมีนามรูปจึงมีสัลยัตนะใช่ไหมเพรานะรรไม่มีตรงส่วนนี้แล้วมันก็เล ย, ก, เลยก็เลยดับไปทีนี้แต่ว่าคนที่เป็นพระ ที่เป็นอนุปันิ์ที่สิพันันธาตุนะก็ยังมีเขาเรียกว่ายังมีตรงนี้ดับไปแล้วนะเหตุแห่งการที่จะต้องมารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ตรงนี้ดับไปแล้วลคือหมายถึงว่าไม่ใช่จับตาลี่แล้วไม่ร้อนนะอันนี้ไม่ใช่แต่ว่ามันนร้อหกอความเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยไม่เกิดอะความเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยไม่เกิดตอนรู้สึกร้อนอยู่คเข้าใจไหมเข้าใจครับเอ จเป็นความรู้สึกทางกายว่าร้อนแล้วโอ้ยดึงชักมือัอ่า น, นี่เป็น body reflection แน่นอนอ่าแต่ว่า<ม>ใจท่านไม่ว่าโอ้ยจะไม่ได้เจ็บปวดไปกับไอ้ทุกข์อันนี้ใช่ไหมครับใช่อืแล้วในขณะเดียวกันคนที่อ่าสัปธิเสสะประเภทนี้ก็ยังจะมีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างยังเหลืออยู่ครับนะความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างยังเหลืออยู่นี้แต่ราคาโทสะโมะไม่มีแล้วเาใจเนาะ ก็คือความรู้สึกต่ออารมณ์ยังเหลืออยู่บ้างนะแต่สิ่งที่จะตอบสนองไปเนี่ยไม่มีแล้วคือใจท่านไม่ไม่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรใ ช, ใช่ไหมครับที่ว่าเหลืออยู่เนี่ยนะ ค, คือราคาโทสะโมหะเนี่ยไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้ว ร, ราคาโทสะโมหะไม่เหลือแล้วแต่ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเพราะว่าคือยังรู้สึกต่ออารมณ์ได้บ้างอ๋อเล็กน้อย อ่ายังรู้สึกตอ่ออบเราได้ปังถา ม, มว่าคือรู้สึกบางทีรู้สึกมากก็ได้นะครับรู้สึกมากก็ได้แต่การตอบสนองเนี่ยการตอบสนองออกไปเนี่ยไม่มีด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่มีไงอืมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าน้อยมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่แน่ <Ừ. S 1> มันอาจจะมากก็ได้นะแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ตอบสนองด้วยราคะโทสะโมหะเพราะราคะโทสะโมหะสิ้นไปแล้วครับกรณีทั้งสองที่เล่ามาก็คือ เป็นกรณีที่พระหรือว่าบุคคล น, น, นั้นเนี่ยบรรลุนิพพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับใช่ได้ถูกต้องออแต่ถ้ากรณีที่นิพพานขณะที่แบบเหมือนตายไปด้วยแบบขณะนิพพานานี้ก็อันนั้นก็พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าดับขันดับขันทัปปรินิพพา น, ด, นดับขันท่าดับขันทัรินิพพานครคือขันทั้ง5้านี่รูปขัน์ด้วยเวทนาขันด้วยพวกนี้ นันดับกัรท้าปณิพัน์ถ้าเป็นนี้ก็เรียกว่านิพานธ์เฉยๆครับ <Yeah. S 1> ครับแต่จริงๆคนทางโลกทั่วๆไปเหมือนเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ผมเองก็เข้าใจว่าตายกับ น, นิพาน์เนี่ยคือพร้อมกันแต่ว่าพอศึกษามาเนี่ยเออการนิพานธ์อย่างที่กรณีสองกรณีคืออนุปาและสัพปานเนี่ยก็คือการดับของของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในจิตแต่ว่าตัวก็ยังอยู่ยังเดินยังเหินยังกิน เออนอนอยู่เนี่คือจริงๆกิเลสก็ไม่ได้ตายหรอกมแล้วพวงกิเลสมันหลุดออกไปเฉยมันไกลาจากเราเฉยครับในะกิเลสไม่ได้ตายไปไหนแต่มันแค่ไกลาจากเราออกไปคือเราพูดเหมือนกับไอ้ที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าหินปูนเนี่ยมันก็ไม่ได้ละเหยเป็นไอนะช่มันหลุดออกจากฟันเฉยอ อ, อ, อืครับลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กิเลสเน่มันไกลออกจากใจของเราครถามนี้เราพน้นในสดาห์นี้ เราได้พูดคุยเรื่องอะไรกันไปบ้างหมอทานพงศ์เอ ง, อ, งอ่าภาษาบาลีครับเออมีปอมีหอนะแล้วก็นะเรื่องของบเป็ น, นักณ์เกี่ยวกับเรื่องของความอนตาสักหน่อยนึงเราก็ได้มีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยอายุน้อยมากสั้นเห ล, ลือเกิน <c oughs> เราเรีบทำความดีเราทำความดีอะไรที่มีอยู่ในโลกเราก็สละาออกบ้างอย่าไปยึดถือมันแล้วก็เหมือนกับให้เป็นผู้ที่คนขวายน้อยมี ความว่างๆเหมือนกับ อ, อย่างที่เปรียบเทียบมาตัวอย่างที่ท่านพระสาริบุตรเเคยยกเอาไว้ใช่ครับแล้วก็เวียงพูดถึงหน้าที่ของคราว่าที่ควรมีกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์ครับไม่ว่าใครก็ตามครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของนินพนธ์นะครับจากคําถามของครูแห ม, มนะครับใช่แ ล, แล้วไงเราก็มาพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับนะตอนตอ น, ตอนที่เจ็สิบแปดเนาะท่า น, นาาผู้ฟังมีคําถามก็ส่งมาที่เพียวธรรมะ .com เช่นเดิมนะครับอมคราวที่จะจบตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วกําลังใจของการที่เรามาจัดรายการเนี่นะมาฤทธิรงค์ส่วนตัวของเอตมาเองเนี่นะกําลังใจในการที่เราจะมาจัดรายการเนี่ยจริงๆมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าอืมคือหมายว่าคําสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าเนี่ยทําให้เราอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้ครับและตรงนี้แหละเป็นเป็นพลังขับเคลื่อนก็จะไหมคือเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศลาภสการะเนี่ย ถ้าเราไม่ได้บวชนี่เราจะได้มากกว่านะมัง้งนะคือหรือว่าถ้าเราต้องการแบบ เ, เดี๋ยวนั้นเลยชื่อสิงคีย์ยอดับสกุลละพวกนี้เราก็คงไม่ได้มาบวชนะแต่เพราะถ้าเรามาบวชแล้วเราไม่ได้ต้องการสิ่งนี้แต่เราต้องการความแล้วถามว่าคุณกับคุณอยู่ได้ไงนะเพราะว่าคําสอนที่ถูกต้องตรงนี้จะเป็นกําลังใจที่ทําให้อดตมานี่ทําต่อไปนะคือไม่ว่าท่านผูฟังจะฟังหรือไม่ฟังหรือว่าจะมีคนฟังมากฟังน้อยมีคนด่าคนว่าคนชม คนตีคนเห็นอย่างหนึ่งคนเห็นอีกอย่างหนึ่งเราก็รับฟังเอาไว้อะนะ<ม>ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนี้กําลังใจของเรามาจากคําสอนปริชาติโอสาธุครั บ, รบตั ว, ต, วตัวหมอรัพงเองก็เหมือนกันถูกไหมเขามีคําสอนที่ถูกต้องเราจึงจัด ก, การกันมาเราจึงทํากันมาเราใครจะฟังไม่ฟังก็อย่างน้อยเราก็ฟังเราเองก็อย่างดีแต่ท่านฟังก็คือไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ต้องการ ไอ้ข้อมูลแหงต่างที่ท่านฟังเขียนมานะเขียนมาเนี่ยเรายินดีรับฟังเลยเราเราเขาเรียกว่าขอบพระคุณมากเลยที่อุตสาหส่งมาอุตสาห์คือถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเขียนจดหมายมาหรือว่าใช้ใช้ความพยายามที่จะพิมพ์ข้อมูลลงไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะคือหมายว่าเขาได้ใส่เอฟเฟอร์ตเข้าไปในการที่จะสื่อสารมาเพราะข้อมูลเหล่านี้เราเราขบคุณชื่นชมอชื่นชมสิ่งเหล่านั้น ครับในขณะเดียวกันพวกเรานี่ทํางานได้นี่ก็เพราะว่ามีคําสองผู้เช่าอยู่ครับเป็นกําลังใจครับใช่ในขณะเดียวกันเราก็รับฟังสิ่งต่างที่ท่านฟังเขียนมาแหะครับก็ต้องจริงๆจากตอนที่เจ็ดสิบหแล้วก็มีฟีดแบ็หรือว่ามีคําแนะนําแบ่งปันมันเนี่ยรู้สึกว่าเออได้ได้มองเห็นภาพกลับได้กลับจริงๆว่าเออมันมีอะไรที่อย่างตัวผมเองก็ควรจะปรับปรุงในหลายๆส่วนก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ก็ขอขอรับรับไปนะครับปรับปรุงครับ <c oughs> อ๋อเห็นก็ในในสัปดาห์นี้เราได้พูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปแล้วครับแล้วก็ค่อยมาพูดกันใหม่ในตอนต่อไปก็แล้วกันครับครับก็กรับนับสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโซจังหว <ไฟ S 1> ัดปุดอนธานีครับสวัสดีครับ